ถ้าใกรสงสัยอาเชิญเนาะครับก็เหมือนกับดูดูละครดูทีวีนะพ่อพราะนึกถึงดูเรานั่งดูทีวีอะฮะใช่ไหมฮะก็รู้ว่าเราพูดกันไอตัวตายตัวตัวไอตัวตายเนี่ยคือตัวละครใช่ครับครับขอขอแท็กถามคําถามหน่อยครับหลวงพ่อครับพี่ๆทุกคนครับผมสวัสดีค่ะคือหลวงพ่อครับตอนนี้ก็ฝึกปฏิบัติอยู่ครับก็ ตั้งใจนะครับผมทีนี้ก็เช้าๆตื่นมาก็ก็ฝึกตามคลิปวิดีโอหลวงพ่อยกสิบสี่จังหวะอะไรเงี้ยครับไปตอนที่ทําก็ก็มีฐานกายอยู่ฮะเวลามันหลงไปคิดตอนตอนที่แบบทําชิวๆไปมันก็มันก็รู้ฮะว่าว่าว่าคิดทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตอนตอนเช้าๆเนี่ยปัญหาอยู่ตอนที่แบบชั่วโมงการทํางานอะไรย่างเงี้ยพอไปทํางานเนี่ยมันมันต้องคิดมันต้องโฟกัสสิฮะหลวงพ่อ คราวนี้พอพอตอนเราคิดเนี่ยมันมันลืมไปทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมันต้องใช้สมองแบบใช้ว่าทามาหากินนะฮะแล้วพอทํําทาไปปุ๊บพอพอเพิ่งมารู้ว่าแบบเหมือน work from home เงี้ยฮะตัวเราอยู่ที่บ้านเราทํางานผ่านซูมเงี้ยนี่เรานั่งอยู่ที่บ้านนี่นะทีนี้ไอไอเดียที่มันต้องคิดที่มันกําลังสร้างสรรค์อยู่เนี่ยมันมันก็ดับไปมันมันก็ไม่ต่อเนื่องฮะับหลวงพ่อคือผมก็จะบอกอยู่ว่า เอ๊ะมันมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าถ้าเกิดผมจะทํางานเนี่ยมันก็ต้องไหลไปก่อนแต่ถ้าเกิดผมจะแบบเอาทางสงบเลยเงี้ยมันมันก็ต้องแบบเหมือนตอนเช้าที่ทํำเลยเงี้ยหรือมันจะมีจุดตรงกลางสมดุลอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้คําถามผมเนี่ยมันมันจะแบบมันมันมันมันจะเขาเรียกมันมันถูกทางหรือไม่ครับผมอยู่ในร่องในรอยไหมครับผมเข้าใจเพราะว่าปัญหานี้คนสงสัยกันเยอะเพราะว่าเขาแยกไม่ถูกเขาแบ่งแยกไม่ถูก ผมวพ่อจะบอกอย่างนี้นะการทำงานก็ทำเต็มที่เลยสุดฝีมือเลยอะนะหมายถึงว่าไม่ต้องมาห่วงเรื่องความรู้สึกตัวคือทำงานที่เคยทำอย่างไงก็ให้ทำอย่างนั้นไปก่อนนะให้ทำอย่างที่เคยทำนั่นแหละแล้วก็แต่ทีนี้ว่าสิ่งที่จะให้ชี้ข้อสังเกตในการตื่นรู้ในการระลึกรู้ก็คือว่ายมลองดูนะถ้าเราทางานกันเต็มชีตเต็มที่จริงๆนะการคิดก็ตามการอะไรก็ตาม <S <S มันก็ <S 1> <S 1> มันก็จะอยู่ในขอบเขตของงานเท่านั้นแหละ แต่ทีนี้ถ้ามันหลุดออกจากขอบเขตของงานเช่นถูกไหมนะชง อ, อาโยมเนี่ยกาลังทํางานตอนแรกก็ทําเต็มที่แล้วแหละแต่พอตาเนี่ยไปเหลือบมองเห็นใครสักคนไอคนนั้นไม่ทํางานแล้วไอเราก็ไปพูดไปบน่นไปวิจารณ์ไปตําหนิเขาแล้วไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันคิดที่ไม่เกี่ยวกับงานก็ให้พึงระลึกได้คือรู้สึกตัวขึ้นมาว่าโอ้โนี่มันไม่คิดเรื่องงานแล้วนี่มันดันไปคิดเรื่องอื่นก็คือให้รู้สึกตัวตัวนี้ขึ้นมา แต่ถ้ามันคิดเรื่องงานอย่างเดียวมันไม่คิดเรื่องอื่นเห็นไหมล่ะมันไม่สนใจหรอกใครเดินใครออกหูก็ไม่ได้ยินเสียงไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันทํางานเต็มที่อยู่แล้วแล้วเป็นเป็นสมาธิในงานด้วยใช้เต็มที่เลยแต่ชีวิตจริงอ่ะมันคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันจะต้องมาแวบเนาะเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเนาะแล้วมันก็พูดวิจารณ์เรื่องโน้นตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานอีกแล้วต้องให้พึงระลึกรู้ขึ้นมาว่าอ๋อนี่มันมันไปยุ่งกับเขาแล้วมันเป็นความคิดอันใหม่เนี้ยตรงนี้ก็ฝึกสติได้ ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนพพลัดค่ะ อ, อ่ามัจสการครับแล้วก็สวัสดีครับ เ, เมื่อกี้รู้สึกชอบอุปมาที่หลวงพ่อพูดเรื่องว่าตัวเราเหมือนขับเฮลาครับแต่ทีนี้ผมผมแค่รู้สึกชอบนะครับแต่ว่ามันยังตามไม่ทันเลยจะจะสอบถามว่าที่ผมเข้าใจนี่ถูกไหมนะครับก็คือ ที่หลวงพ่อเปรียบว่าตอนที่ตัวเราที่เป็นไอ้ร่างอวตารนี่นครับเข้าไปในห้องขับเขาโดยที่ตัวจริงเรานั่งอยู่ที่บ้านมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวตัวที่เรานั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยมันคือผู้รู้ไหมครับที่รู้ว่าเรากระโดดไปห้องนั้นห้องนี้อะไรอย่างนี้แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับใช่ใช่ลักษณะนั้นครับอ๋ออย่างนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ต้องต้องทวนตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้เลยเนาะตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยมันรู้ตัวอยู่ รู้ตัวว่าเนี่ยไอตัวที่กระพริบอยู่ข้างบนหรือว่ารูปโปรไฟล์ที่อยู่ในในจอโทรศัพท์หรือในคอมอ่ะนะตอนเนี้มันรู้ชัดแล้วว่าไอ้นั้นเน่ยมันไม่ใช่เราเนาะแล้วห้องคขับที่ว่าเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นห้องไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเอามาละมองเฉพาะที่เป็นตัวตนกันดีกว่าตอนนี้เพราะตอนนี้มันรู้ตัวแล้วนี่เนาะมันไม่หลงแล้วเนี่ยพอไม่หลงปั๊บมันจะรู้เลยว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องขับชัดเจนไล้ตรงนี้เนานะแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรา ภาพโปรไฟล์อ่ะเนาะอ่าครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วตอนเนี้ยเพราะมันมีมันมันมีสติระดับหนึ่งแล้วก็คือเข้าใจถูกว่าเราอะไม่ได้เข้าห้องกลับหรอกเพราะว่าเรายังอยู่นอกจอเรานั่งอยู่ใช่ไหมอืมพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เพิ่มความรู้สึกตัวให้ให้เพิ่มขึ้นอีกก็คือว่าแม้กระทั่งไอ้ตัวที่นั่งเนี่ยไอ้ตัวที่นั่งเนี่ยนะเนี่ยที่นั่งเนี่ยเอาตัวของจริงตอนนี้เลยไอ้ตัวที่นั่งเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งถูกเห็นมันเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกับ ใช้คำพูดอะไรไอ้ตัวเราที่ที่นั่งอยู่นะที่มีเนื้อมีหนังนี่นะหลวงพ่อใช้คํำพูดอย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ทําไมเป็นสิ่งถูกรู้ก็รู้ได้เนี่ยว่าเรานั่งอยู่ทีเนี้หลวงพ่อก็จะชี้ว่าไอ้ตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันอุปมาเหมือนกับไอ้ตัวเราที่เข้าไปอยู่ในคอมในจอแต่มันถูกเห็นเสียแล้วนะไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยถูกรู้ถูกเห็นเสียแล้วมันก็หลุดหลุดจากอะไรอ่ะหลุดจากไอ้ตัวเกอ เดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดยังไงดีนะเดี๋ยวค่อยๆนะเดี๋ยวหลวงพ่อใจเย็นอีกหน่อยนึงเพื่ <P ew> อให้ชัดเจนเดี๋ยวขอขอทวนก่อนนะขอทวนก่อนขอทวนจากที่เราเข้าไปอยู่ในห้องคลับก่อนไอตอนที่เราไม่รู้เนี่ยไอตอนที่ไม่ได้มีการพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในห้องจริงๆเนาะเราเนี่ยอยู่ใน <S <S 1> <S 1> ห้องจริงๆแล้วรูปที่ที่เห็นอยู่ในหน้าจอมือถือเนี่ยมันเป็นรูปเรามันเป็นเราเลยแหละ แต่พอพิจารณาหรือมีคนมาบอกบอกว่าเอ้ยในอ้องนั้นนะไม่ใช่เงาไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์เป็นแค่เครื่องหมายพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บไอตัวเราเนี่ยที่อยู่นอกโทรศัพท์เนี่ยก็เลยเข้าใจขึ้นมาว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราเนาะแต่ตัวเราคือคนที่อยู่นอกจอนอกโทรศัพท์พอรู้ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็เกิดการเห็นตัวเราอีกชั้นหนึ่งว่าไอตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ ถูกรู้โดยอะไรล่ะก็ถูกรู้โดยโดยมันมีรู้อีกรู้หนึ่งที่มารู้ว่าตัวเรานั่งอยู่หรือตัวเรากําลังพูดอยู่ตัวเรากําลังคุยอยู่พอรู้อย่างเนี้ยมันก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าไอตัวเราที่มีเนื้อมีหนังเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้เหมือนกับวัตถุอื่นๆเหมือนกับคนอื่นๆเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยแต่ตัวปัญญาหรือว่าไอความเข้าใจเนี่ยมันก็ไปรู้จักอีกรู้หนึ่งรู้ที่มารู้ตัวเรามันจึงแจ้งแก่ใจว่า ไอ้ที่มารู้ตัวเรามันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วไอ้ตัวเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทสุดท้ายโถมันก็เป็นตัวปลอมคือเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นตัวที่ตายพอรู้ชัดอย่างเนี้ยมันก็สามารถเหมือนกับว่าสามารถที่จะแยกระหว่างตัวเราเนี่ยไอ้ตัวปลอมกับไอ้ตัวจริงที่มารู้ตัวเราว่ามันเป็นคนละสิ่งกันพอเป็นอย่างนี้ถ้ายิ่งมันยิ่งแจ้งมันยิ่งชํานานมันก็จะขาดกันเลยมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันขาดคือมันเป็นคนละสิ่งกันนะสิ่งหนึ่งเป็นสิ่ง เป็นสังขารที่ปรุงแต่งพูดได้นอนได้เสียใจได้อะไรก็ได้หมดแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอาการเหล่านี้มันก็ได้แต่รู้เราถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้ทางเลยได้ต้นทางการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์แล้วเพราะมันเห็นว่านี่แหละคือมรรคคือทางมันมีทางเดียวเกินจากนี้ไม่มีทางอื่นแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาว่าตอนนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมหรื อ, อยังงงมัน มันเหมือนจะเข้าใจนะครับผมก็ไม่ไม่อ๋อหรือว่าเอาจากเกมเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้สมมติว่าคุณคุณนพราชเนี่ยเมื่อกี้หนุหน่บอกว่าอ่ะคนไหนที่รู้จักคําว่า อ, อความรู้ที่ไม่ปรากฏอ่ะบางคนก็กระพริบไม่ว่าอ๋อฉันรู้ฉันรู้อ่านะคะอันนั้นก็เป็นความรู้นะคะเพราะอีกคนหนึ่งสม ม, มุติว่าอ่ะสมมติคุณนพราชตอบว่า ออฉันยังไม่รู้ฉันก็กับพิดใหม่ฉันไม่รู้อะมันใจ่ฉันไม่รู้อันนั้นนะคะก็มีความรู้นึ่งนะคะ่ะมารู้ว่าเราไม่รู้ด้วยอะ่ะไอความรู้นั่นล่ะค่ะเขารู้ได้ไงคะว่าเราไม่รู้อะคะอ๋อผมผมผมเออเมื่อกี้ย้อนไปดูตัวเองเริ่มเห็นแบบนี้ครับว่าตอนหลวงพ่อพูดเนี่ย <c oughs> มันเข้าใจเลยแต่หลังนั้นเนี่ย มันก็มีความคิดที่แบบสงสัยมาจะแค้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอะไันะขออภัยค่ะมันเสียงนกบเหมือนกับความคิดไอ้ตัวหลังเนี่ยมันมันเริ่มแบบเป็นความลังเลที่ขึ้นมาอ๋อง่ด้แต่ว่าตอนตอนที่หลวงพ่อพูดตอนที่หลวงพ่อพูดจบเนี่ยผมว่าณณตอนนั้นเนี่ยมันเก็ตเลยครับว่าโอเคว่ามีมารู้ตัวเราที่กําลังกําลังกําลังเป็นอยู่เนี่ย แเองของโยมแก่ น, นิดเดียวของของโยมนพรัตน์นะหลวงพ่อจะชี้อย่างนี้ไอท้ที่ที่โยมเหมือนกับว่ามันรู้ตัวเราตรงนั้ น, นมันแวบๆ แ, แลบๆเหมือนกับว่าทําท่าจะเข้าใจแต่ไอ้จุดเริ่ม<ถ>ต้นที่ว่าทําท่าเข้าใจเนี่ยมันจะมีตัวโยมที่จะพยายามจะเข้าใจในเรื่องเหล่าเนี้ยแต่<ช>ก็เล ย, ยไม่เห็น<ถ>ตัวเองไงเพราะว่ามันเอาตัวเองที่จะคิดค้นพยายามจะเข้าใจมันก็เห็น<ช> ไ, มไม่ได้แต่ทีนี้โยมก็ต้องปรับใหม่ก็คือว่าโยมหยุดดิหยุดลองหยุดทําความเข้าใจสักหน่อยหนึ่ง แล้วมันจะเกิดความสงบพอสงบปั๊บมันจะรู้โยมเลยว่าโยมสงบแล้วโยมรวมหยุดการคิดค้นที่จะคิดค้นที่จะไปทําความเข้าใจเรื่องไอ้ตัวรู้ตัวเราคือหยุดแล้วไม่ไม่ค้นหาแล้วก็อยู่เฉยเฉยพออยู่เฉยเฉยปั๊บเดี๋ยวไอ้ตัวรู้มันก็รู้เราว่าเรานิ่งแล้วเราสงบแล้วเราเงี้ยโยมต้องหยุดจริงนะโยมอย่าเพิ่งถามอะไรเนี่ยแล้วก็มันรู้เราแน่นอนร้อยเปอร์เซนตว่าเราเนี่ยนั่งเฉยแล้วไม่พูดไม่จาแล้ว มันจะได้แป๊บเดียวครับหลวงก็จะก็ก็มันแวบๆมันแหละมันมันไม่ใช่ข้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมัแวบตลอดอ่ะมันแค่แวบเดียวนะเพราะว่าถ้าถ้าไปตั้งรู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีตัวเราอีกตัวหนึ่งมาตั้งรู้ดูตดูตัวเราเออครับคเพียงเพียงแต่นิดเดียวเนี่ยสมมติตามวิธีการที่หลวงพ่อบอกเนี่ยบอกว่าเอ้าหยุดหยุดการคิดค้นเออหยุดการคิดค้นที่จะไปทําความเข้าใจเรื่องนี้ปิดปากปิดวาจาเสียนั่งตัวตรงแล้วก็ดูที่ว่ามันรู้ตัวเราได้ไหมเรา แต่พอพูดอย่างนี้เดี๋ยวโยมก็ไปหาตัวรู้อีกแล้วก <c oughs> <c oughs> ็โยมๆลองฟังตามที่หลวงพ่อว่านะลองดูนะเอาสมุ่มว่าตอนเนี้ยเอาโยมโยมเอารองทําตามที่หลวงพ่อว่าก็ได้ลองลองปิดตาปิดตานะแล้วก็เกินน้ําลายเกินน้ําลายแล้วก็ให้ลองลองยกตัวหน่อยหนึงอ่ะลองยกตัวดิ รู้ได้ไหมอ่ะแต่ไม่ชัดเอาใหม่แต่จริงจมั น, ม, นมันก็ชัดหมดทุกชัดเลยครับที่หลวงพ่อว่าโอเคได้พอได้ใช่ไหมว่าไอาตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่มันมีอีกรู้หนึ่งที่มารู้เราพอพอเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมล่ะคือผมว่าของผมเนี่ยทางกายเนี่ยผม น, น่าจะได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าพอมันเป็นกิจกรรมทางความคิดเช่นพอมันจะชอบสงสัยอะไรพวกนี้อันนี้<อ>มันจะง่ายนิดเดียว ง่ายนิดเดียว เ, เริ่มต้นจากสมมตว่าโยมยังไม่เริ่มคิดใช่ไหมบางทีมันรู้จักนะว่ายัางไม่คิดอะ่ะมันรู้นะแล้วก็ต่อมาพอโยมคิดปับ๊บโยมมันก็รู้ได้นะว่าเริ่มคิดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่รู้เราอ่ะมันก็รู้เราหมดและว่าเราหยุดคิดก็มันก็รู้รเราไม่เราคิดอยู่มันก็รู้ให้รู้แบบเอเอเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปเพ่งอรู้ไปหาอะไรเนี้ยอืมอย่างเงี้อย่างเงี้โยมพอมีแนวทางแล้วโยมก็ไปเขาเรียกว่าไปไ ป, ไปเล่นเล่นกับมัน ไปไปฝึกซ้อมอ่ะฝึกซ้อมแต่จริงๆพอฝึกซ้อมปั๊บมันเอาตัวเราไปฝึกอีกแล้วตรงนี้มันมีปัญหาตรงนี้เพราะไม่เห็นว่าเราไปฝึกซ้อมไงมันเอาตัวเราไปฝึกเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาตัวเราไปฝึกก่อนเดี๋ยวมันก็รู้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยกําลังเริ่มฝึกแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องต้องไปลองฝึกเพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยกําลังฝึกแล้วประมาณเนี้ยเป็นการบ้างกันแล้วกันเนาะ แล้วก็มีขอให้คำถาม น, นะครับหลวก็อือมอย่างตอนที่ยกมือสิบสี่จังหวัดเนี่ยนะครับเอ่อผมเคยสังเกตเองว่าถ้ายกแบบแบบอธิบายเลยนะฮะคือถ้าผมปล่อยให้จังหวัหยุดเนี่ยมันนานนานกว่าปกติจนกระทั่งคือเหมือนกับว่าให้มัน<ะ>คอลคิดลงหลวงพ่อเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าคใครใครจะไปยกมือสิบสี่จังหวัด ออผเองคนระับเออเห็นตัวผมแล้วยังครับนี่เห็นปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปยกหรอกแค่เห็นปัจจุบันในปฏิบัติถูกต้องด้วยร้อยเปอร์เซ็นเมื่อกี้เนี่ยมันหลงไปมันหลงไปคือว่าคือมันไม่รู้หรอกว่ามันหลงว่ามีตัวเราแล้วก็จะไปปฏิบัติในอนาคตแต่พอหลวงพ่อชี้ถามแบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาฉับพันว่าโอ้เมื่อกี้หลงจริงๆตัวเราไม่มีแต่มันเข้าใจผิดนึกว่าตัวเรามีแล้วเราก็จะไปทํา ตื่นไหมตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยตื่นไหมเมื่อกี้หลงไปอ่ะหลงว่ามีเราเต็มๆเลยอ่ะตอนนี้รู้ตัวเราเลยยังว่าว่าเราหลงเมื่อกี้รู้อลไรยังใช่ครับใช่ใเออนี่ไงเขาเรียกว่าตื่นฉับพลันในบรรลุทาได้น่เนี่ยแต่มันมันจะรู้สึกว่ามันจะต้องกลับไปทําอะไรสักอย่างไอันนี้ก็แล้วใครไปทำล่ะเอาใครไปทําตอบใหม่ใครไปทํา ก็ผมนี่แหละครับอ่าแสดงว่ามีผมแล้วผมเป็นเป็นอะไรเป็นตัวตายหรือตัวจริงอตัวปลอมตัวปลอมครับเออให้รู้จักตัวปลอมเสียแล้วตัวปลอมมันมันยึดได้ไหมล่ะมันถ้าถ้ายึดมันก็ตายไปกับมันนะถูกป่ะอือครับครับเออเนี่ยรู้จักแบบนี้ว่าเอาอันนี้มันตัวปลอมเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวปลอมนั่นแหละตัวจริงมันรู้เราแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวปลอมเนี่ยอย่าไปยึดมันตัวเราเนี่ยที่ไปนั่งยกมือไปเดินจงกมเนี่ยนี่ตัวปลอมหมดเลยนะ อย่าไปยึดถือมันนะมันเดินได้แต่ว่าไม่เอามันไม่ยึดมันมันจะนั่งยกมือก็ยกได้เห็นมันอยู่แต่ไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเราก็มันเป็นตัวปลอมเราที่แท้จริงนู่นคือตัวไม่ตายนู่นที่เห็นตัวปลอมอะ่ะอันนี้พูดเป็นภาษาภาษาสมมติเพื่อให้เข้าใจถูกว่าไ อ, ไอตัวปลอมเนี่ยไอเราเนี่ยเป็นตัวปลอมเป็นตัวตายอย่าหลงยึดแต่ตัวจริงอะ่ะคือเราไม่ตายเราได้แต่เห็นไอตัวมันตาย ทีนี้เมื่อเราไม่ไปยึดในตัวตายเราก็ไม่ต้องไปตายกับมันมันตายไปมันตายไปฝ่ายเดียวแต่เรา่พ้นจากการตายแล้วเพราะเราคือผู้รู้อืมครับแต่แต่นี้ถ้าถ้าตัวปอมมันอยากจะเหมือนอยากจะปฏิบัติเนี้ยเราก็ต้องทําใช่ไหมครังก็ู่้ อ, อยรู้ว่ามันจะอยากก็ช่างมันเถอะมันจะไปไหนก็ไปคอยรู้มัน <c oughs> อ่ะเออมันจะไปเดินรอก็ก็เดินไปเลย ไอตัวจริงก็กูรู้มึงเดินเน่ยอันที่พูดเพื่อให้เข้าใจเนาะมึงอยากเดินก็เดินแต่กูรู้แต่กูไม่ได้เดินด้วยไงมึงเดินไปตรงไหนกูก็รู้หมดแหละมึงจะไปนั่งตรงไหนกูก็รู้หมดไปนั่งห้องน้ํากูก็รู้มึงมันคนละตัวกันไงเพราะฉะนั้นไอนตัวไอตัวปลอมอ่ะมันมันขยันแค่ไหนแล้วมันเหนื่อยมันก็หยุดเองแหละค่ะอืมโอเคไหมฮก็คือ ร, รู้รู้ทันไอตัวปลอมไวใช่ไหมครับใช่ตัวปลอมหมดแหละเนี่ยตัวที่พูดได้เนี่ยก็ตัวปลอม ครับเออแล้วก็หยุดพูดแล้วอันนี้ก็ปลอมเดี๋ยวหนูน่ยช่ยชี้อกอันหนึ่งไหมคะคุณคุณนพพลัตรเห็นรูปหน้าโปรไฟล์หนูหนุ่ยเป็นรูปอะไรคะเป็นปกตากระต่ายอ๋อลองลองรีเฟรชอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อเป็นสตรอเบอรี่ครับอันนี้เป็นส้มโอค่ะโอเคตามนั้นครับ เห็นเห็นอะไรบ้างคะตอนที่เห็นก็เห็นว่ามันก็คิดขึ้นมาว่าไม่ใช่เออถือแล้วค่ะแล้วยังอีกคะมีอีกไหมคแล้ว ก, วก็มีอีกไหมครับก็มันจะมีภาพส้มโอลอยขึ้นมาด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไหมคะแ ล, คแล้วมันจะมี ค่ะและในไอ้สิ่งที่เห็นทุกๆอย่างค่ะยังไงนะคะคุณน้องนาณัทอ๋อก็พอพอเห็นว่ามันไม่ตรงกันเนี้ยผมก็คิดขึ้นมาว่าถ้ามันคงเป็นมุกของคุณหนุ่ยหนุ่ยอะไรทุกอย่างก็เลยบอกตันมั้นครับอ่าโอเคอันนั้นน่ะคือถ้าเราเราเรารู้ว่าตรงนั้นถ้าเรามีสตินะคะอ่าเราเราก็จะเริ่มพิจารณาแต่ว่ามันจะเห็นเรารู้ว่าเฮ้ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่อืม อ่ะไอรู้ตรงนั้นน่ะก็คล้ายๆกับที่หลวงพ่อเออธิบายเรื่องตรงเนี้ค่ะลองทําบ่อยๆค่ะคุณนพพลมันมันมันเป็นสิ่งเดียวกันเนี่แหละค่ะเราเอาใช้ชุดประจํำวันอย่างนีน้นค่ะแล้วก็ค่อยสังเกตจากตัวเราการทํางานอะไรอย่างนี้ยค่ะอ่าแล้วมันจะค่อยๆเห็นได้เรื่อยๆค่ะค่ะเมื่อกีมีข้อสังเกตอีกนึ่ะครับว่าอย่างถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างเมื่อกี้ถ้าหลวงพ่อไม่ชี้สดๆตรงนั้นน่ะมันจะ มันเหมือนยังไงครับมันเหมือนเราจะแทบจะรู้เองไม่ได้เลยว่าเรากําลังหลงไปกับตัวปอมแล้วถูกช่างแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> แหละอาศัยกาลยานามิตรนี่แหละ <c oughs> บางอย่าง <c oughs> นะ ม, มันรู้เองไม่ได้จากประสบการณ์เนี่ย <c oughs> รู้เลยว่านี่ถ้าอาจารย์ไม่บอกไม่มีวันเลยที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้อะใช่เพราะว่ามันอืมแบบเราเราไปเราเป็นตัวปอมไปโดยที่ ไม่มีใครมากระตกมันก็เป็นต่อเรื่อยใช่ไหมโอสาธุรู้จักตัวพรอมแล้วใช้ได้ที <c oughs> นี้มันมี <c oughs> มันมีอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็ดีมากเลยพวกเราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่คงเห็นแล้วสูตรไอ้เรื่องธงไหวกับลมพัดอะ่ะค่ะลองทบทวนดูสิคนทั่วไปเนี่ยเขาเขาส่งจิตออกนอกใช่ไหมแล้วก็ไปเถียงกันว่าไอ้เรื่องลมพัดหรือไอ้ธงไหวเถียงกันอยู่นั่นแหละแต่ว่ารางมาชี้บอกเลยบอ ก, บอกไม่ใช่ทั้งหมดแหละนี่นี่ น, น, นี่กลับมาดูที่ใจนี่คุณคิดอะไรแล่ว คุณคิดน่ยคุณปรุงเอาเองคุณคิดเอาเองทั้งหมดเลยคุณเห็นตรงนี้หรือเปล่าแต่พวกนั้นมันก็ฉลาดเนาะพเพราะว่าเวยหลังทักปับ๊บมันกลับมารู้ตัวแล้วก็เบิกบานเลยแบบโอ้ย โ, ยโง่เลยนี่ถ้าไม่มีคนมาชี้บางเนี่ยมันรู้ไม่ได้อืนั่นแหละคือการระยะน้ำมิดพอรู้ได้ครั้งเดียวเนี่ยต่อไปมันมีปฏิพันธ์ไว้พิษคือรู้เร็วขึ้นอย่างเมื่อกี้เนี่ย ท, ที่อย่างยมหนุยนุยสาธิตเนี่ยมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละ ก็หมายความว่าโอเคถ้าพูดกันแบบโลกโลกแบบนั้นเราก็คุยกันเรื่องตามที่เข้าใจตรงกันนะเนาะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่นักปฏิบัติเนี่ยคือไม่ลืมตัวว่าอ๋อที่พูดไปอย่างนั้นน่ะมันคิดเอาเองมันปรุงเอาเองมันแต่งเอาเองว่าเป็นนุ่มเป็นนี่มันจําเอาเองทั้งหมดเลยเอพอปเป็นอย่างนี้เสร็จเขาเรียกว่ารู้นอกรู้ในรู้สองด้านแต่ก็อย่างน้อยไอ้รู้ด้านในก็ทําให้ละตัวตนได้ว่าอ๋อจริงๆร่ยมันคิดเอาเองความคิดคือสังขารโยนทิ้งไป ห, หมดเลยอย่างเงี้ย ความรู้สึกก็เป็นสังขารอะไรก็เป็นสังขารโยนทิ้งหมดเลยแต่ตัวไม่สังขาร น, นู่นไอตัวที่รู้รู้สังขาร น, นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ขนาดไม่รู้มันยังรู้เลยค่ะว่าเราไม่รู้ใช่ใช่ นะนไปะไพัฒนานะสิ่งที่ได้จากการได้ยินได้ฟังไปต่อย่อเราเองนะไปนั่งยกมือแหละเดี๋ยวมันก็นึกได้เองว่าเออใหญ่ตัวปลอมมันนั่งยกมือก็ยกไปเรื่อยๆก็ให้ตัวปลอมมันยกตัวรู้ก็จะได้รู้แจ้งว่าอันนี้ตัวปลอมถ้าแยกแยะอย่างเนี้ยมันตัวปลอมมันไม่ใช่ตัวจริงไงแล้วก็ชัดอยู่แล้วว่าตัวปลอมเป็นของที่ตายใช่ไหมเออเปลี่ยนได้ตายได้เพราะนั้นเรื่องอะไรต้องไปยึดตัวปลอม อทีนี้วิธีพ้นจากตัวปลอมก็คือรู้จักแล้วก็ไม่เอามันไม่ยึดมันแค่นี้ก็หลุดพ้นแล้วด้มไ้มอ่ะครับแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะไปรู้มันนะครับตั้งใจไม่ได้ถ้าตั้งใจได้ไ<ม>อตัวปลอมไอตัวตั้งใจก็เป็นตัวปลอมอีกอแต่ ถ, ถ้าตั้งใจก่อนไม่เป็นไรแล้วก็รู้ทันว่ามันตั้งใจอ่าเท่ากับว่าเออรู้สึกตัวเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นไปด้วยความตั้งใจทั้งหมดนะพอแค่ บอกให้พวกเราไปปฏิบัติธรรมปับ๊บมันเกิดความตั้งใจแล้วก็ให้รู้เท่าทันว่าอ่าตัวตัวตั้งใจตัวปลอมเกิดแล้วเนี่ยรู้การเกิดรู้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ยมันเป็นตัวทําให้เกิดเกิดการรู้การเห็นไงเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ตั้งใจเลยก็มีอยู่ตัวอยู่ดีแหละตัวไม่ตั้งใจมันก็เป็นตัวปลอมอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้ามีเจตนาจะคิดจะทํามันเป็นตัวปลอมหมดเพราะฉะนั้นให้เห็นมันตั้งใจก็เห็นไม่ตั้งใจก็เห็น อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรู้รอบไงก็เรียกว่ารู้รอบค่ะมีออเดอชั้นไหนขึ้นต้องการขึ้นมายกมือได้เลยนะคะสวัสดีออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคนนี้ไม่ไปใครถามเลยก็รู้ทันรู้ทันตัวเองหมดแล้วรู้หมดแล้วค่ะคือกำลังเห็นฟังหลายรอบนี่ใช่เรียกว่าจิตตั้งมั่นนะเห็นแต่ไม่ทําตามเช่น คิดอยู่ก็เห็นอยู่มันอยากจะถามก็ยังไม่ตามใจก็ให้มันคือรู้อยู่คือไม่ตามใจถ้าตามใจพอมันอยากถามปับถามเลยเนาะแต่อันนี้มีการพิจารณายังไม่ถามแต่ก็รู้อยู่ภายในาการฝึกแบบเนี้ยมันทําให้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นเมื่อมีสมาธิตั้งมัน่นมันก็จะรับรู้เห็นการปรากฏการเกิดเนาะการเกิดทางจิตทางใจเห็นถึงความคิดเห็นถึงความอยากเห็นถึงอะไรต่างๆสารพัด แต่ก็ไม่ตามใจที่จะทำตามที่มันคิดหรือว่ามันมีความอยากแล้วมันก็จะมีพลังอำนาจของของจิตคือเป็นสมาธิแต่ในสมาธินี่เกิดปัญญาได้เพราะเห็นสังขารที่ผุดขึ้นในสมาธิเห็นสิ่งที่เกิดดับในจิตในใจเห็นหมดเลยรู้แจ้งรู้แจ้งแต่ยังไงก็ตามการเห็นยังไม่เห็นเขาเรียกว่าเห็นเพียงเท่านี้มันยังเหมือนกับว่ายังเป็นเราเห็นอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าให้พ้นจากความเป็นเราคือให้ให้รู้รอบให้รู้กว้างมากกว่านี้ให้รู้เขาเรียกว่าให้รู้ทั่วถึงให้รู้เราทั้งตัวว่าทั้งตัวนี้คือไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่รู้เราทั้งตัวมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยกำลังกาลังนั่งดูเหตุการณ์อยู่เรากำลังเรากำลังเป็นผู้มีสมาธิแล้วเราก็กำลังดูความปรุงแต่งของจิต ว่ามันเป็นไตรลักษณ์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันเขาเรียกว่ายังรู้ไม่รอบยังรู้ไม่ครบยังรู้ไม่ท่วนเพราะฉะนั้นต้องถอยมาอีกคือให้รู้เราทั้งตัวเลยว่าไอ้ผู้ตัวที่นั่งทําสมาธิเนี่ยทั้งตัวเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นผู้ดูผู้จ้องผู้อะไรเนี่ยไอ้ น, นั้นก็เป็นสังขารให้หมดคือเห็นให้หมดเลยเขาเรียกว่ารู้รอบรอบไห้หมดเลยอไม่อย่างนั้นน่ยมันติดมันติดเป็นว่าเราเป็นผู้ทําสมาธิเราเป็นผู้ตั้งมัน่นเราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้เห็นมันไม่หลุดตรงนี้ยคนติดกันเยอะมากเพราะว่า คือรู้ไม่หมดไงได้แต่รู้บางส่วนถ้ารู้หมดก็คือรู้แบบครอบคลุมเราทั้งตัวเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวปลอมแล้วพอรู้ทั้งตัวเสร็จแล้วพอเป็นตัวปลอมเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วไงไม่มีเราเป็นผู้นั่งสมาธิไม่มีเราเป็นผู้เดินจงกรมเพราะมันเป็นตัวปลอมไปแล้วแล้วไอ้ตัวจริงนู่นได้แต่ดูบนที่สูงนู่นจริงไม่รู้มันอยู่ไหนนะแต่หลวงพ่อพูดไปอย่างนั้นแหละมันไม่มีที่สูงที่ตำ่ำหราไอ้ตัวน้นนะเพราะว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่มันเห็นเราทุกช็อตเลย เราไปเดินจงกรมมันก็เห็นเราไปนั่งยกมือ14จังหวะมันก็เห็นเราไปนั่งปิดตาเพ่งนุ่นทึ่งมันก็เห็นเราหมดเลยเนี่ยตรงเนี้มันจะแยกได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะเข้าใจเรื่องความหลุดพ้นว่าหลุดพ้นคือมันหลุดออกมาจากขันห้ามันพ้นมาจากรูปนามนะแล้วก็มันไม่กลับเข้าไปเป็นอีกพราะมันหลุดมาแล้วมันก็รู้แจ้งแล้วมันเรื่องอะไรต้องกลับเข้าไปเป็นแล้วมันรู้ว่ามันคนละอย่างกันมันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวไม่ได้ ใช่ไหมเออมันก็หลุดขาดเนี่ยเว้นแต่หลงลืมแค่นั้นแหละถ้าไม่หลงลืมมันก็ขาดอยู่แล้วหลวงหลวงพ่อจะแชร์ประสบการณ์ชักนิดนึ่งนะเพราะมันเป็นที่มาที่ไปว่าทาไมให้เห็นคือเห็นตัวเองได้ทั้งตัวคือเอาคนที่เคยได้ยินแล้วก็ได้ยินไปเนาะแต่คนไม่ได้ยินก็ยังมีนะคืออาจารย์เนี่ยอาจารย์หลวงพ่อท่านบอกว่าเวลาเห็นอะไรอะ่ะมันไม่มีผู้เห็น ท่านบอกว่าเห็นนะเห็นแต่ว่าผู้เห็นไม่มีประโยคอย่างนี้โยงคิดดูสิเราก็ต้องเถียงเอ็นขึ้นคอสิเถียงยังไงก็เถียงบอกกดเราเป็นคนเห็นอาจารย์บอกว่าไม่มีผู้เห็นได้ยังไงใช่ไหมเราเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไปยืนดูไอนาฬิกาดิท่านก็พูดแบบคุยทางโทรศัพท์นะท่านบอกว่าไปดูนาฬิกาที่ที่ติดอยู่ที่ผนังที่มันเป็นนาฬิกาแขวนเนาะที่มันมีลูกทุ้มเวียงไปเวียงมาเนาะ ท่านก็บอกว่าดูสินะเห็นหมว่ามันเวียงนะมันมีแต่การเวี่ยงไปเวียงมาแต่ผู้เห็นไม่มีเอาเราก็บอกโถก็ผมอยู่หน้าจุหน้าอยู่ข้างหน้าไอ้นาฬิกาไม่มีไม่มีผู้ดูได้ยังไงอ่ะก็ผมเป็นทั้งผู้ดูผมทั้งเป็นผู้เห็นทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราก็สัมผาอาจารย์อยู่แล้วไงแต่ว่าอาจารย์นะท่านคงรู้แหละแต่เราไม่รู้เองจะมีทีนี้หลวงพ่อก็เหมือนกับว่าค่อย ค, อ ย, คอยศึกษาแล้วก็มาดูเหตุการณ์จริงก็มาดูที่เป็น นาฬิกาจริงๆแต่ว่ามันไม่เหมือนกับนาฬิกาตามที่พูดคุยทางโทรศัพท์เนาะเราก็มาดูพอมาดูเสร็จแลหลวงพ่อก็เพ่งไปดูนาฬิกาพอดูนานๆเนี่ยมันเหมือนกับว่านาฬิกาก็เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วไอ้ตัวหลวงพ่อที่ยืนมองนาฬิกาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันโอ้โหแค่นี้พล่งเลยว่าโอมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาเห็นอย่างน้อยเห็นเรานี่แหละเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า ไอสิ่งที่มาเห็นเราเนี่ยโอ้มันไม่มีตัวตนนี่มันไม่มีตัวอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยแต่มันเห็นเราได้อะว่าเราอะยืนดูนาฬิกาอยู่พอแค่นี้มันแจ่มแจ้งเลยมันแจ่มแจ้งว่าโอ้อาจารย์พูดถูกต้องเลยมันไม่มีผู้เห็นแต่ตอนแรกที่เราเถียง อ, อาจารย์นะ่ะเราเป็นผู้เห็นแต่พออีกขั้นหนึ่งกลายเป็นว่าเราเป็นสิ่งถูกเห็นนะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นผู้เห็นเราเป็นสิ่งถูกเห็น พอแค่นี้มันจะรู้จักแยกแยะได้ถูกเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นส่วนไอ้ธรรมชาติที่มันเห็นเราเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่มันไม่ปรากฏตัวตนมันไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ปัญญาเนี่ยมันสามารถเข้าใจได้ว่ามันมีอยู่มีอยู่แบบไม่ปรากฏทีนี้พอเข้าใจเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันเข้าใจเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เลยว่า ตัวทุกนี่คือตัวเราซึ่งเป็นขันห้าตัวทุก네นี่นะเนี่ยมันเป็นขันห้ามันก็มีความทุกข์บิบขั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไอตัวเราเนี่ยแต่ไอธรรมชาติที่มันมารู้ like, like, process, right. ตัวเราเนี่ยมันไม่ไม่มีสภาพที่จะเป็นทุกข์ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีการปรากฏว่าส่วนไหนมันจะเป็นทุกข์ได้เพราะมันเป็นความไม่มีไงพอเป็นอย่างนี้มันเข้าใจเรื่องความหลุดพ้นเลยว่านี่แหละหลุดพ้นก็คือต้องเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเราหลุดพ้นเนาะ แต่พอเป็นอย่างนี้มันมันเราไม่มีไงมีแต่มันมีแต่สิ่งคือมีแต่ขันห้าแล้วก็กับสิ่งที่มารู้ขันห้าพอเป็นอย่างนี้หลวงพ่อเกิดได้ทางแล้วแล้วก็ไปทดสอบไปยืนมองโน้นมองนี่แล้วมันก็ตัวเราจะเป็นถูกสิ่งถูกเห็นเรื่อยไปเลยนะหลวงพ่อก็ไปหัดหมองต้นไม้มั่ง <S <S แล้วก็โอ้ไอตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วมันเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นทีนี้หลวงพ่อก็เดินโอ้พอเดินเสร็จมันก็เห็นเราเดินจะนั่งมันก็เห็นเรานั่งจะทําอะไรมันเห็นเราหมดเลยทีเนี้ย มันโหเนี่ยมหลักสติปัฏฐานสูตรเลยบอกว่าเมื่อเดินเมื่อเราเดินก็รู้ว่าเราเดินแต่เมื่อก่อนมันไม่เข้าใจไงว่าอะไรมารู้เราเดินแต่ตอนเนี้รู้แล้วว่ามันรู้ว่าที่มารู้เราเดินก็เออตัวนี้แหละไอตัวที่ไม่มีตัวนี่แหละพอเป็นอย่างนี้เสร็จมันแจ่มแจ้งไปหมดอ่ะจะเดินจะนั่งจะนอนมันเหมือนกับมันมันเห็นเราไปหมดเลยอะ่ะเนี่ยเลยบอกให้โยมถ้าโยมไปทดสอบไปทดลองแล้ว หลวงพ่อเชื่อนะว่ามันไม่ยากแล้วจะเข้าใจเลยเข้าใจหนเดียวหวนเดียวจะเข้าใจยาวเลยเพราะมันรู้ว่านี่แหละคือทางพ้นทุกข์คือรู้ตัวที่หลวงพ่ออธิบายแบบนี้มันเห็นตามได้ไหมเนี่ยถ้าเห็นตามนี่ถือว่าปัจจุบันนะรู้ปัจจุบันเลยนะครับเห็นตามมากเลยครับหลวงพ่อครับแจ้งเลยนะหลวงพ่ออธิบายดีดีแล้วหลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องของการฟังเสียงอีกนะเมื่อกี้พูดถึงการมองเห็นเนาะ การฟังเสียงเนี่ยหลวงพ่อก็หลังจากที่เข้าใจตรงนั้นหลวงพ่อก็ ล, งลงองลองฟังเสียงอย่างอื่นบ้างเช่นเสียงนกร้องเนาะเสียงมันอยู่ตรงนูน้นแล้วก็มันก็เห็นหลวงพ่อว่าอยู่ตรงนี้แล้วหลวงพ่อทําคอเอียงๆ แ, แบบแอบฟังอ่ะโอ้โหมันเห็นเราหมดเลยอะ่ะก <c oughs> ็เลยแบบความรู้สึกว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าให้รู้แจ้งเนี่ยคือทํานิพพานให้แจ้งเนี่ยก็คือทําอย่างนี้แหละคือให้เห็นตัวเราให้รู้ตัวเรามันก็ยิ่งแจ้งเท่าไหร่มันก็เท่ากับว่ามันก็ ความชัดเจนคือการสลัดออกการสลัดคืนเนี่ยมันมันจะมีเขาเรียกว่ามีอํานาจมีกําลังมากขึ้นแต่ถ้าเห็นวบาแว่บๆมันยังไม่แจ้งก็จะบอกว่เดี๋ยวมันก็เข้าไปเป็นใช่ไหมล่ะมันเข้าไปติดมันเข้าไปเป็นแต่ถ้าเห็นแจ้งเนี่ยมันจะไม่เข้าไปเป็นมันได้แต่เห็นแจ้งอยู่เหมือนกับน้ํากับใบบัวแหละคือมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่เป็นใช่สิคือมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันอืประมาณอย่างนี้ก็เลยมาทดสอบหลายอย่างทดสอบเรื่องการเห็นการได้ยินหรือ การหลายอย่างเล้วมันการทดสอบเนี่ยเขาเป็นของเล่นเล่นไปหมดเลยไม่ได้ซีเรียสมือนกับว่ามันเล่นเล่นน่ะเล่นเล่นแล้วก็เออมันรู้อยู่เนี้ยก็เลยอก็เลยเล่าแชร์ประสบการณ์ว่ามันถ้าเข้าใจแล้วมันง่ายไปเลยอ่ะอย่างเงี้ย <c oughs> คือ บ, ง <c oughs> บางทีมันเป็นความง่ายในความซับซ้อนค่ะเพราะมีเคยมีคนบอกเลยว่าขนาดสมเออสมเออพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังต้อง เกิดต้องกี่อสงไขหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะมาตรัดสรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นใครอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราจะไปแบบอะไรอย่างงี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะตอบเขาว่ายัางไงดีอะค่ะคือคําตอบมันอย่างนี้นะว่าถ้าถ้ามีความเข้าใจว่าตัวเราไม่มีนะมีแค่สัขันหน้าเนาะมันไม่มีตัวเราต้องไปถึงอะไรเลย พราะว่าตัวเรามันไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันเป็นแต่เพียงว่าความเข้าใจผิดเท่านั้นแหละถ้าเปลี่ยนจากความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจถูกเนี่ยตัวเราก็จะไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเนี่ยตัวเราเนี่ยเมื่อตัวเราไม่มีนะลองลองดูตรงนี้นะเมื่อตัวเราไม่มีเนี่ยการจะได้มาก็ดีก็ไม่มีตัวจะได้อะไรมาก็เป็นไปไม่ได้เพราะตัวเราไม่มีจะเสียอะไรไปก็เป็นไปไม่ได้เพราะตัวเราไม่มี จะไปถึงอะไรก็ไม่มีการไปถึงเพราะว่าตัวเราไม่ดีมัน <c oughs> มีแต่ขันห้าที่มันแปลสภาพมันเปลี่ยนมันหมุนเวียนไปแค่นี้เองเ <c oughs> นี่ยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะเพียรเท่าไหร่นะไม่มีวันจะหลุดพ้นได้เพราะเหตุว่าเหนื่อยลงแรงเขาเรียก ว, ว่าลงแรงแล้วเหนื่อยเปล่าเพราะปัญญามันยังไปไม่ <c oughs> ไ, มไม่เกิดไง <c oughs> เหนื่อยก็คือเขาเรียก ว, ว่าเอาตัวเรานี่เนาะลงทุนลงแรงเดินจงกรมอดหลับอดนอนมันพ้นทุกข์ไม่ได้มันมีอย่างเดียวเท่านั้นคือเ <c oughs> ข้าใจถูกเข้าใจถูกจริงๆว่ามีแต่สังขารเท่านั้น แค่นี้แล้วมันก็จบเลยแล้วก็พอพ้นทุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าตัวเราพ้นทุกแต่มันเป็นเรื่องปัญญาว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยคือทุกขของสังขารทุกของขันธ์ห้าที่มันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เราเป็นทุกขเราไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสแล้วตรัสอีกว่าอนัตตาอนัตตาแต่มันก็มันก็อย่างว่าเนาะคนเราอ่ะมันก็ติดยึดมานานมันหลงมานานอ่ะก็ค่อยบำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆแหละจริงครับ สมกับหัวข้อวันนี้เลยฮะเป็นทุกเป็นเพียงผู้บอกแต่เธอต้องรู้เองนะฮะหลงพ่อตรงตรงตรงตรงหัว heading เนี่ยะอันนี้ฮะตรงเต็งเลยฮะของพ่อทำคีบพูดนะเจออ่ะฮะหลวงพ่อทำผู้บอกแล้วก็เธอต้องรู้เองอ่ะจริงๆรครับถ้าไม่รู้เองก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่พ้นนะครับค่ะแต่หนุ่เสริมให้ค่ะว่าเป็นเพียงผู้บอกแต่เธอต้องรู้เองและในสิ่งที่รู้ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรด้วยค่ะ เติมให้ค่ะเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจนะที่เขาบอกว่าเอ่อเช่นบอกไม่มีใครบรรลุหรือว่าทำแท้เนี่ยอธิบายไม่ได้พูดไม่ได้หรือว่าผู้รู้เนี่ยรู้จริงเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขารู้อะไรเมื่อก่อนไม่เข้าใจมืดมนแล้วก็เอาแต่หัวคิดคิดเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนั้น่ะ แต่ถ้ามันเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจไอ้รู้ตัวจริงนะนั่นแหละคุณนสมบัติของรู้ตัวจริงเลยส่วนในตัวปลอมอ่ะมันก็พูดได้คิดได้ใช่ไหมอะไรได้รู้อะไรก็บอกไปหมดเลยเช่น ร, รู้ธรรมะก็บอกว่ารู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะก็บอกว่าไม่รู้ธรรมะมันพูดได้แต่ไอ้รู้ตัวจริงอ่ะนนั้นแหละมันไม่มีคือมันพูดไม่ได้ไงมันก็เลยอธิบายไม่ได้แล้วมันก็บอกไม่ได้ว่ามันรู้อะไรเพราะว่าถ้าบอกได้มันก็เป็นรู้ตัวปลอมใช่ไหมพูดได้ ก็เลยโหอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ยมันยากมากนะโยมที่จะให้เข้าใจได้เนี่ยมันต้องอาศัยการยาณมิตรที่ให้ปริศนาทำบ้างหรือให้ข้อคิดสติเตือนใจเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาหลวงพ่อยอมรับจริงๆเลยว่าถ้าไม่มีการยาณมิตรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในบทสวดมีนะพระอานนท์เนี่ยพูดถึงเรื่องการยานมิตรเนี่ยพระอานนท์บอกว่าการยานมิตรเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของของการประพฤติพรหมจันทร์ พระพุทธเจ้าบอกว่าอนนท์พูดผิดแล้วการัณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรมอาจารย์โอ้แล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอาศัยท่านเนี่ยอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นการัญมิตรเนี่ยจะพ้นจากความเกิดนะพ้นนะพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความความเจ็บความตายอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้การัณมิตรซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้นี้ก็เป็นทั้งหมดของพรมอาจารย์แต่ว่าถ้าจะ ให้พ้นจากความเกิดแก่จิบตายจริงๆนู่นก็คืออาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็คือคําสอนของท่านนั่นแหละแล้วก็ที่ท่านสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตัวตนนี่ไงคือต้องฟังพระพุทธเจ้าเลยต้องน้อมเข้ามาใส่ก้าวเลยอะ่ะอืแล้วมันก็จะจเข<อ>้าใจได้ธรรมะของพระพเจ้าเป็นของประณีตนะครับยากแก่การเข้ายากแก่การเข้าใจนะครับ <ท>ตัวะะตัวที่ปิดกั้นเนี่ยตัวบังเนี่ยก็คืออัตตานี่แหละอัตตาเนี่ยมันไปขวางกั้นสัจจความจริงเพราะว่ามันกั้นไปหมดแล้วไงคือเช่นกูรู้แล้วกูเข้าใจแล้วมันเป็นกูไปแต่ธรรมะจริงๆมันต้องเห็นกูว่ากูเนี่ยคือขาน้าไม่ใช่กูจริงๆหรอกไออย่างกูกูแบบนี้คือไอกูเนี่ยคือตายใช่หมตายเออแต่ตัวมไม่ตายอุนมันมีอยู่ เพราะฉะนั้นเห็นตัวกูง่ายๆเลยก็คือเห็นตัวเราแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวเราคือตัวตายอย่าไปยึดถือมันทิ้งมันคําว่าทิ้งไม่ใช่ว่าไปผลักใสหรือไปทําลายก็ให้มันอยู่อย่างสภาพของมันอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่มีใครยึดถือเนี่ยเนี่ยที่พูดได้เนี่ยตัวตายหมดเนี่ยตัวตัวตายหมดเหมือนกันในสุดท้ายเหมือนกันเนี่ยครัวงพครับจ้านามสกุลสวัสดีคุณหนยุยคุณจิตคุณหนิงคุณอุปราชครับแล้วก็ ท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็ฟังหลวงพ่อไปแล้วก็เจริญสติไปด้วยครับรู้สึกตัวไปด้วยจะได้ความเจริญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ผมสําหรับตัวผมเองนะครับหลวงพ่อผมต้องทําในในรูปแบบด้วยครับเพราะว่าผมสังเกตดูว่าจิตผมถ้าถ้ารู้สึกตัวเองเดียวนะมันไม่ค่อยมีพลังนะครับก็อัด บางครั้งบางทีมันช่วงไหนที่มันเครีครยดหรือฟุ้งซ่านก็ก็ทําความสงบเหมือนกันนะครับแล้วก็สลับไปสลับมาครับต้องมองมองให้ลึกลงไปอีกเนาะว่ามันยังมีเราผู้ปรารถนายังมีเราเป็นผู้ต้องการเช่นเราต้องการให้จิตเนี่ยคือเราอะนะแต่ต้องการให้จิตเนี่ยมีสมาธิหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะมีตัวเราอยู่เบื้องหลังอยู่ ตัวนี้ที่มันมันเหมือนกับว่ามันยังเป็นความรู้สึกลึกๆอ่ะนะเพราะว่ายังทําเพื่อจะจะได้นะเพื่อเพื่อจะได้อยู่เพื่อจะมีเพื่อจะเป็นนะทีนี้ก็ให้มองถึงว่าทุกอย่างเนี่ยที่มีการกระทํามันเป็นสังขารทั้งหมดคือให้เข้าใจด้วยตุัตะก็ขาเรียกตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็บวกกับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีแต่สังขารเท่านั้นความสงบก็เป็นสังขารความไม่สงบก็เป็นสังขาร ความเสื่อมไปที่สมาธิคเคยมีแล้วมันเสื่อมลงมันก็เป็นสังขารเพราะมันแสดงอนิจจังอยู่แล้วเนาะให้พิจารณาเรื่องเนี้ยว่าที่เดินก็ดีที่ยกมือตามรูปแบบก็ดีคือทําได้อ่ะนะทําได้แต่ให้พึงเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือสังขารเขาปฏิบัตินะต้องถอดถอนจากความเห็นผิดคือมันไม่ใช่เราปฏิบัติแต่สังขารมันปฏิบัติเหมือนกับเนี่ยการเดินการกินการนาั่งการนอนการอาบน้ําแปลงควันเนี่ยเนี่ยคือสังขารทั้งหมด ก็ให้รู้แจ้งอยู่ว่าทุกอย่างเป็นสังขารหมดนะมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นสังขารหมดเนาะมันเกิดแล้วมันเสื่อมไปก็เป็นสังขารหมดอืมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางอย่างสังขารมันอาจจะถูกบีบคั้นมากหน่อยนะถ้าสมมุติว่าไม่ทําตามรูปแบบอย่างนั้นนะเนาะเออเช่นจิตใจก็เอ่อพ่อแป้อย่างเงี้ยมันก็อ่อนแรงไปหน่อยก็มันก็เป็นเรื่องสังขารอืมแต่ก็ก็ให้สังขารมันทํากันเองเนาะเปลี่ยนความเข้าใจที่มันผิดผิดให้มันถูกถูกว่า เออมันมีแต่สังขารเท่านั้นแหละะให้ให้ใช้ตรงนี้เขาเรียกว่าเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันมีปัญญาสามเนาะเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังก็คือปัญญาสุตตะแล้วก็ปัญญาจินตามัจยปัญญาก็คือคิดพิจารณาส่วนภาวนามัจยปัญญามันก็ อ, อปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วมันก็ผลยังไงก็มาไปทำนั้นมันปัญญาสามเนี่ยต้องทํางานร่วมกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็คือกลุ่มของสังขารทั้งหมดไอ้ปัญญาสามนี่นะอืมก็เป็นสังขารทั้งหมดเลย แต่ก็อาศัยมันเพื่อเป็นพาเป็นเรือพาข้ามควากไปเนาะกองเพิ่มตรงนี้หน่อยเพิ่มความเห็นถูกกันนะอืมแต่ทำเหมือนเดิมมั้แหละทาเหมือนเดิม